ทุดงจังหวัดนครราชสีมาเมื่อออกพรรษาแล้วปลายปีพุทธศักราช2498ถึง2499ตามปกตินิสัยของท่านหลวงปู่ศีมหาวีโรท่านจะออกเที่ยววีเวกหาที่สงบสงัดตามภูผาป่าเขาถ้ำเนื้อผาป่าช้าป่ารกชัดป่าดงทึบต่างๆในครั้งนี้ท่านปรารบเที่ยวทุดงไปที่ภูเขามะฆ่า เขารางตะเข้เขาจอมทองอําเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาพระลูกศิษย์ที่ติดตามท่านรูปหนึ่งได้กล่าวว่าการเที่ยวทุดงในครั้งนั้นลำบากที่สุดมีแต่เดินกับเดินตัวเบาวิวปลิวไปเหมือนปุ๋ยนุ่นท่านเดินเร็วมากน้ำใช้น้ำฉันก็ไม่ค่อยมีการปฏิบัติภาวานาในครั้งนั้นท่านเร่งความเพียรไม่นอนบางทีฝนตกสามวันสามคืนเปียกปอนไปหมดเสียทุกอย่าง วินท บ, บายไกลถึง12กิโลเมตรเวลาท่านสั่งให้อยู่ที่ตรงไหนก็ต้องอยู่ท่านสั่งให้นอนตรงไหนก็ต้องนอนกลัวแสนกลัวก็ต้องทนกล้าแต่กลัวองค์ท่านยิ่งกว่ากลัวช้างกลัวเสือเสียอีกต่อมาอีกไม่นานท่านก็นําเดินต่อไปยังภูเขาอีกลูกหนึ่งชื่อว่าเขา r ง n ะเ n g ท่านมีนิสัยเด็ดเดี่ยวมากบางทีพักอยู่ห่างกับท่านระหว่างเขาคนละลูก เดินหากันทีเหนื่อยแทบตายจากนั้นท่านทูดงต่อไปยังเขาจอมทองท่าที่ไหนก็นอนที่นั่นจนผ้าขาดวิ่นหมดเลยบางวันเดินวนอยู่แต่ในป่าเขาอาหารก็ไม่ได้ฉันบางครั้งด้วยความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามากการตรดให้ท่านเสร็จเรียบร้อยแล้วล้มตัวลงนอนหลับเหมือนตายท่านก็บอกว่าอย่าอย่าพากันนอนมากเดี๋ยวจะมีคนมาขโมยของพอมาตรวจดูปรากฏว่าย่ามได้หายไปจริงๆ ในย่ามก็ไม่มีอะไรมากมีช้อนต้อมคู่หนึ่งไฟฉายไม้ขีดไฟหนึ่งกลักขโมยมันก็ยังเอาไปการปฏิบัติอยู่กับท่านถึงจะเหน็ดเหนื่อยเมื่อล้าสักเพียงใดก็ตามแต่ภายในใจยังกระยิมยิ้มย่องมีกำลังใจภาคภูมิใจในการประพฤติปฏิบัติเสมอท่านเป็นแบบอย่างแห่งความอดทนท่านเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาตลอดทุกอิริยาบถเป็นความเพียร เพื่อปรากรามใจดวงพยศวันคืนผ่านไปที่ได้ร่วมปฏิบัติสมาธิภาวนากับท่านได้รับใช้ท่านนับว่าเป็นบุญวาสนาไม่เสียชาติเกิดที่ได้มาบวชพบพระพุทธศาสนาและครูบาอาจารย์ที่ประพฤติปฏิบัติ ด, ดีเช่นหลวงปู่ศรีมหาวีโรนี้เขียนมาถึงตรงนี้ก็มีเรื่องเล่าสำหรับพระนวกะกรรมฐานคือพระกรรมฐานใหม่ที่จะเพิ่งหางจากครูบาอาจารย์ได้ไม่นานนัก เหมือนบัวตัวน้อยที่เพิ่งจะพัดหลงจากแม่ย่อมโซซัดโซเซตืนรนตนกตกใจอะไรง่ายๆเพียงกิ่งไม้หักเท่านั้นก็พากันวิ่งหนีเสียจนป่าราบเมื่อคณะสิทธิของหลวงปูศ่ศรีออกเที่ยววิเวกทุ ด, ดงด้วยลำแช่งแห่งตนเดินแยกทางจากหลวงปูศ่ศรีข่ำที่ไหนก็นอนที่นั่นพอมาถึงอำเภอนางรองใกล้เข้ า, าเขตอำเภอ ร, รำปายมาจังหวัดนครราชสีมาจะเห็นชาวบ้าน เขากำลังจอแ จ, จโจดขานโกลหลกันโยกใหญ่ต่างคนต่างซุมหัวคุยกันหน้าตาตื่นตระหนกตกใจว่าตอนนี้มีช้างสองพี่น้องมันตกมันมุ่งทำร้ายคนอื่นอยู่เรื่อยๆให้พวกเราพากันระมัดระวังทราบข่าวด่วนมาว่ามันกำลังมุ่งหน้ามาทางหมู่บ้านของพวกเราเมื่อพระคณะกรรมฐ า, านน้อยๆมาถึงชายป่าห่างจากหมู่บ้านประมาณสิบเส้น มีจอมปลวกใหญ่ๆมีต้นไม้ใหญ่ร่มใบดกหนาจึงพักกันอยู่ณที่นั้นเมื่อชาวบ้านเห็นเข้าเขาร้องเรียก บ, บอกกันว่าพระลูกขมูลมาแล้วพระลูกขมูลมาแล้วเขาจึงเข้ามากราบไหว้สุนทนาแล้วหาผ้ามาถวายให้กู่นอนฤดูนั้นเป็นฤดูปลายฝนต้นหนาวตอนดึกสงัดลมหนาวพัดแผ่วๆมาบรรยากาศวังเวงข้างแรมเมื่อสนิทได้กลิ่นเหม็นสาบโชยพัดมาแต่ไกลเป็นระยะระยะ เสียงสัตว์ใหญ่หายใจดังฮืดท่าดัฮืดทาตใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาเมื่อมันได้กลิ่นคนอย่างพวกเรามันก็ตีนขุดดินดังกรูดกราดกูกาดเป็นเชิงขู่พระเนนที่อยู่ในกรดกลัว อ, อกสันขวัญหายความกลัวตายที่เคยหลับสนิทมานานแสนนานถูกปลุกให้ตื่นขึ้นด้วยเสียงแห่งสัตว์ไพรเหงือแตกออกมาตามร่างกายเหมือนสายน้ำต่างคนก็ต่างกลัวถ้าจะลองไฟฉายดูก็กลัวว่า ช้างจะเดินมาเหยียบขย่ำหัวเอาในความมืดนิดนั้นพระเนนและโยมต่างก็มานั่งรวมกันณนะที่แห่งเดียวต่างองค์ต่างคนก็ต่างปลุกปลอบใจตนเองว่าเอาละนะคราวนี้เป็นคราวสำคัญตายเป็นตายเอาเถอะเราจะนั่งภาวนาสู้ตายมอบกายถวายชีวิตแด่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และครูบาอาจารย์ทุกคนจึงนั่งภาวนาสู้ตาย บางท่านจิตรวมจนถึงรุ่งเช้าพอได้อารุณมองเห็นฟ้าพอหลางๆต่างองค์ก็ต่างภูมิอกภูมิใจว่าพวกเรานี้ได้ฝ่าอันตรายอย่างใหญ่หลวงได้ใช้ธรรมะปราบช้างตัวพยศให้หายหัวหนีไปได้ประหนึ่งจะบอกให้โลกได้รู้ว่าข้านี้ไม่ธรรมดาได้ใช้คาถาธรรมและสมาธิภาวนาปราบจนช้างวิ่งหางจุกตูดนี้เลิดเปิดเปิงไปไหนก็ไม่ทราบพอตอนเช้า จึงออกไปบินท่าบาทที่หมู่บ้านนั้นด้วยท่าทางองอาจกล้าหาญปรากฏว่าเห็นควายตู้ใหญ่ที่เขาตอกหลักผูกเอาไว้ด้านหลังจอมปลวกที่ตนเองพักมองท่าแม่งท่าแม่งเอใจจึงถามชาวบ้านว่าควายตัวนี้มันมาจากไหนละโยมท่านอาจารย์ครับควายตู้ใหญ่ของผมตัวนี้เมื่อคืนนี้มันหลุดหลักผูกออกมาจากทุง่งนาผมเพิ่งจะมาตามเจอตอนก่อนรุ่งสาง แถวแถวที่ท่านอาจารย์ปักกรดพักอยู่นั่นแหละครับโอ้ยโยมเอ้ยพวกอาตมาคิดว่าเป็นช้างตกมันจะเข้ามาทําร้ายนอนก็นอนไม่ได้เกือบจะใจขาดตายตั้งแต่เมื่อคืนเกือบจะไม่ได้มาบิณฑบาตถ้าเมื่อคืนใจขาดตายโอคตายไปเสียก่อนด้วยความกลัวแบบกระต่ายตื่นตูมอาตมาคงทําเสียชื่อชายชาติพระกรรมฐานพระรุกขมูลอย่างที่โยมร้องเรียกเป็นแน่แท้พวกโยมและพระ เมื่อได้สนทนากันอย่างนั้นต่างก็หัวเราะขบขันจนท้องคัดท้องแข็งในความชี้ขาดวาดระแวงของพระกรรมฐานต่างก็พูดกันว่าพระป่ากรรมฐานรุกมูลเสนาสนังก็กลัวตายเหมือนกันเนาะพระก็มาจากคนนั่นแหละโยมถ้าอันไหนพอวิ่งก็วิ่งหางจุกตูดเหมือนกันแหละพระรูปหนึ่งกล่าวขึ้นยิ่งทาให้เสียงหัวเราะดังขึ้นในสภากลางทุ่งนานั้นอีกเมื่อลงุงผูสีมหาวีโร ได้เดินทางไปถึงเชิงเขาจอมทองชาวบ้านต่างก็เตือนท่านว่าไม่อยากให้ท่านขึ้นไปอยู่ถ้ำที่อยู่บนเขาลูกนั้นเพราะว่ามีพระขึ้นไปตายมาหลายรูปแล้วถ้าไม่ตายก็ไม่หวที่จะเป็นบ้า ก, กลับลงมาหลวงปู่ศีเล่าว่าสมัยโบราณเจ้าเมืองโคราชเวลาออกไปหาล่าสัตว์ขากลับต้องขึ้นเขาจอมทองไปเอายาอายุวัฒนะที่อยู่ในนั้นณนะที่เขาจอมทองแห่งนี้ เคยมีพระอรหันต์มามรณภาพอยู่ทั้งหมดสี่องค์และอธิธาานของพระอรหันต์ต่างๆเหล่านั้นเคยแสดงอิทิปาติหารเป็นแสงสว่างให้ท่านรู้ว่าสถานที่แห่งนี้จะเจริญในทางธรรมใครมาอยู่ปฏิบัติที่นี่ถ้าตั้งใจดีมีโอกาสที่จะเห็นธรรมท่านถามนายพรานว่าเขาลูกนี้มีน้ำหรือเปล่านายพรานบอกว่าไม่มีท่านจึงพานายพรานขึ้นไป แล้วก็เห็นรอยหินมันแตกท่านก็ให้ในายพรานตัดไม้ไผ่แล้วก็เจาะตรงปล้องแล้วหย่อนลงไปพอดึงขึ้นมาท่านก็บอกนายพรานว่านี่ไงน้ำนายพรานเห็นความอัศจรรย์เช่นนั้นก็ศรัทธาท่านเป็นยิ่งนักกราบถวายตัวเป็นสิทธิ์สมทานไตรสรณคมและศีลห้าในเวลานั้นท่านจะลงไปบินส บ, บาตรครึ่งทางและนายพรานเขาจะเอาอาหารมาถวายครึ่งทางเพราะระยะทางห่างไกลามาก หลวงปูศ่ศรีท่านต้องการรักษาสถานที่ตรงนี้ไว้ให้เป็นสถานที่ภาวนาทำความเพียรท่านก็พาชาวโคราชไปจัดสถานที่ไว้ไปเตรียมสถานที่ไว้ตั้งทำถนนหนทางไปเวลาท่านขึ้นไปบนยอดเขาท่านก็จะมองดูควายที่เขาไปเลี้ยงกันควายมันเกือกขี้โคลนแล้วก็เห็นแต่ลูกกระตามองไปเห็นควายตัวเล็กๆท่านจะมองดูด้วยความสุขและอิงเอิบด้วยเมตตา หลังจากที่ท่านพักอยู่ที่เขาจอมทองเป็นเวลานานพอสมควรแล้วท่านจึงทุดดงกลับวัดป่ากุมจังหวัดร้อยเอ็ด